บทที่72บัณฑิตทางธรรมออกพรรษาแล้วรับกระตินแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงก็เรียกพระมหาบุญมาพบและพูดเป็นงานเป็นการว่าผมจะออกธุดงเป็นเวลาสองเดือนในฐานะที่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสขอให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ด, ด้วยฝากไว้กับท่านสักสองเดือนคงไม่หนักหนาอะไรใช่ไหมเรื่องหนักนั้นต้องหนักแน่เพราะเป็นวัดใหญ่ ส่วนเรื่องหนาคงจะเป็นผมเพราะว่าผมเป็นปุถุชนย่อมต้องหนานด้วยกิเลสไม่ได้เป็นพระอริยะอย่างหลวงพ่อนี่ครับพระมหาบุญกลับพูดไม่เป็นงานเป็นการนี่อย่าพูดเล่นไปผมสีเรียดนาะคราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาปากติครับผมรู้ว่าหลวงพ่อเสีเรียดท่านรู้ได้อย่างไร ไม่ยากนี่ครับก็เมื่อใดหลวงพ่อใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นชั้นเช่นแต่ก่อนเมื่อนั้นแสดงว่าหลวงพ่อกำลังเสียเรียดเอาละเอาละอย่าโมมาพูดเล่นลิ้นกันให้เสียเวลาที่ฉันเรียกเธอมาพบก็เพื่อจะบอกกล่าวและก็ฝากฝังเรื่องงานไม่ใช่ให้มาพูดเจ้วแจ้วเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้คน้น่มกว่าถูกตาหนิ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 โบราณท่านสอนว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยเชื่อโบราณเถอะครับท่านมหาคราวนี้ท่านใช้เสียงดังเป็นสองเท่าของเสียงปกติครับผมลูกวัดขานรับด้วยระดับเสียงที่ใกล้เคียงกับสมผานถ้ายังไม่พร้อมที่จะพูดก็ลงไปก่อนได้พรอมเมื่อไหร่ค่อยขึ้นมา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 เผื่อว่าญาติโยมเขาทุกกร้อนมาขอความช่วยเหลือจะได้ช่วยเขาได้อย่าลืมว่ากิจกรรมของพระสงฆ์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารญาติโยมเขาทำบุญมาเมื่อฉันของเขาแล้วก็ต้องทำประโยชน์ให้เขาจะได้ไม่เป็นอาบัติโทษแล้วก็ช่วยดูเจ้าคู่แฝดด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วยังเรียนไม่ถึงไหน ตกซ้าชันอยู่นั่นแหละไม่รู้เรียนภาษาอะไรหลวงพ่อก็เคยตกซ้าชันเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับผู้อ่อนวัยกว่ายง้งหากท่านพระครูแ้งทำเป็นไม่ได้ยินและหลวงพ่อเรียนอย่างไรครับจึงได้ตกซ้าชันพระมหาบุญถามอีกคราวนี้ท่านพระครูเห็นความจำเป็นจะต้องตอบจึงตอบว่า ที่ตกก็เพราะไม่เรียนต่างหากถ้าเรียนรับรองว่าไม่ตกและไม่มีซ้าชั้นอย่างแน่นอนพูดแบบไว้เชิงและทำไมหลวงพ่อถึงไม่เรียนล่ะครับก็ธุระมันเยอะมัวมานั่งเรียนอยู่ได้หรือธุระอะไรบ้างครับถามทาไมผมอยากรู้ครับคืออยากรู้ว่าหลวงพ่อมีธุระอะไรจึงทำให้ไม่มีเวลาเรียนสมัยผมเป็นเด็ก ธุระสำคัญที่สุดก็คือเรียนหนังสือแต่ธุระของฉันไม่เกี่ยวกับหนังสือไปโรงเรียนพอเป็นพิธีเท่านั้นเสร็จแล้วก็โดดเรียนไปทำธุระหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งไม่รู้ธุระของหลวงพ่อคืออะไรหนาจ้างเธอก็ทายไม่ถูกเอาละเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกแล้วก็อย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังนะฉันอายเขา เดียรญาติโยมจะเอาไปนินทาว่าสมพานวัดป่ามะม่วงประวัติไม่ดีธุระของฉันก็คือไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆ เ, เกเรด้วยกันโดยมีฉันเป็นหัวโจกแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าฉันว่าตัวเองเป็นหัวโจกแล้วก็ยังมีหัวโจกของหัวโจกอีกทีหนึง่งเธอรู้จักครูชิ้นไหมล่ะท่านถามภิกษุวัยอ่อนกว่า ครูชินขี่เมานะหรอครับใครไม่รู้จักก็แย่เต็มทีโยแม่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยตอนเด็กๆเวลาร้องห้ายโยเยโยแม่จะขูว่าเดี๋ยวให้ครูชินมาหักคอนะผมก็นิ่งเลยทันทีหลวงพ่อรู้จักแกด้วยหรอครับเธอหาว่าฉันแย่งั้นสิผมไมแบังอาจว่าหลวงพ่อหรอกครับไม่ว่าแล้วทาไมมาถามฉัน ว่ารู้จักครูชินหรือเปล่าถ้าฉันไม่รู้จักฉันก็แย่เต็มทีเหมือนที่เธอว่านะสิแม้หลวงพ่อในละเอียดละ อ, อจังผมพูดโดยที่ไม่ได้คิดต่อไปนี้จะต้องใช้สติให้มากขึ้นไม่งั้นก็เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานสอนคนอื่นให้มีสติแต่ตัวเองกลับขาดสติดีแล้วที่คิดได้อย่างนี้ สติเป็นองค์ธรรมสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกเมื่อหากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นก็มีโอกาสตกสู่อบายภูมิได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่กำลังจะตายนั้นน่ะจะต้องตั้งสติให้ดีในวัดเรานี่มีตัวอย่างให้เห็นชีแดงเผลอสตินิดเดียวไปเกิดเป็นลูกสุนัขทันทีเธออยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมล่ะไม่อยากครับ ถ้าไม่อยากก็ต้องหมั่นเจริญพระกรรมฐานและก็กำหนดสติอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่โดยตรงของนักบวชไม่ใช่บวชมานั่งกินนอนกินให้ชาวบ้านเขานินทาเหมือนพวกที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินโดยไม่กลัวบาปกรรมแต่ถ้าคนเขาจ้องจะนินทาแล้วก็ต่อให้ปฏิบัติแค่ไหนเขาก็นินทาจนได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสกับอตุญญะอุบาศกว่า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 และก็มั่นใจในความดีของเราคนที่ทำความชั่วนั้นแม้คนภายนอกจะให้ความนิยมยกย่องเพราะว่าต้องการผลประโยชน์หรือว่าเพราะกลัวอิทธิพลก็ตามเขาก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ดีจริงตามที่ได้รับการยกย่องในอนาคตจะมีคนดีปลอมๆเกิดขึ้นอีกมากมายในสังคม ด้วยว่าผู้คนจะให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจพวกเขาจะแข่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุคนดีมีคุณธรรมจะลดน้อยลงคนชั่วจะครองเมืองและก็นำพาประเทศไปสู่ความหายนะประเทศไทยจะเป็นหนี้ต่างชาติมากมายมหาศาลชดใช้กันไปชั่วลูกชั่วล้านก็ยังไม่หมด ประชาชนจะเดือดร้อนไปทั่วทุกย่อมย่าพวกสมณชีพรามผู้ทรงศีลทรงธรรมจะกลับกลายเป็นผู้หลอกลวงโลกหวังเอาลาบให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาคนที่หลบเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาปฏิบัติธรรมจเจริญพระกรรมฐานเท่านั้นจึงจะอยู่อย่างสงบและก็ร่มเย็นโอ้โหนี่เป็นคำทำนายหลวงพ่อใช่หมครับ ฉันไม่ใช่หมอดูแล้วก็ไม่ได้ทำนายเพียงแต่มองเห็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ฉันพูดมาแต่ถึงฉันจะพูดหรือไม่พูดมันก็ต้องเกิดต้องเป็นไปตามนี้เพราะเป็นธรรมชาติกฎแห่งกรรมในสังคมร่วมกันทำไว้แล้วเยาวชนจะเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อผมเป็นห่วงเยาวชนเพราะพวกเขาเป็นอนาคตของชาติ เยาวชนก็จะกลายเป็นเหยื่อจังน่าสงสารแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างที่เธอว่าเพราะพวกเขากลายเป็นทาสของยาเสพติดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนบางพวกทำให้เมืองไทยกลายเป็นแหล่งค้ายาเสพติดระดับโลกยาเสพติดก็จะระบาดในสังคมของเด็กวัยรุ่นแม้ในวัดในโรงเรียนก็มียาเสพติดขาย เยาวชนจะติดยากันทั้งประเทศอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรเธอคิดเอาเองก็แล้วกันโอ้ยฟังแล้วหดหูใจเหลือเกินไม่มีทางแก้ไขเลยละครับหลวงพ่อภิกษุหนุ่มเกิดอาการและวห้อยละเหี่ยเพลียใจทางแก่นมีปัญหาทุกปัญหาแก้ได้แต่เขาไม่ยอมแก้เพราะความโง่เขลา และความเห็นแก่ตัวพวกเขาเห็นประโยชน์ส่วนตัวยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศชาติก็เลยไม่คิดที่จะแก้ไขแล้วยาวชนที่ไม่ติดยาจะหลงเหลืออยู่บ้างไหมครับก็พอมีอยู่บ้างแต่ถึงไม่ติดยาพวกเขาก็ไปติดอย่างอื่นอย่างอื่นคืออะไรครับเช่นอะไรครับพระหนมใคร่รู้ ก็ไปยึดติดกับค่านิยมผิดๆเพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติเช่นมีค่านิยมว่าวัยรุ่นจะต้องกินอาหารอย่างเดียวกันเดิมน้ำชนิดเดียวกันทั้งโลกพวกนายทุนต่างชาติยิ้มเลยแล้วก็ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมาขายมีสาขาทั่วโลกเพื่อเอาใจวัยรุ่นเราก็เลยเสียดุลการค้าไปตามระเบียบ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 ฉันจะได้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชลลนี่ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มครับผมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งเช่นนะครับแต่ฉันเสียใจที่รับข้อเสนอของเธอไม่ได้ทำไมล่ะครับก็เพราะเธอไม่มีโอกาสจะได้เป็นนายกนะซิอย่าสึกออกไปเลยนะไม่มีใครเขาเลือกเธอเป็นผู้แทนหรอก เพราะต่อไปการเลือกตั้งต้องซื้อเสียงกันใครไม่ซื้อก็ไม่ได้รับเลือกคนดีคนสุดจริตก็เลยไม่มีโอกาสได้มาบริหารประเทศปล่อยให้ชาติบ้านเมืองตกอยู่ในมือของคนชั่วในอนาคตพวกนักการเมืองมีอำนาจมีอิทธิพลมากแล้วก็จะบีบบังคับพวกข้าราชการให้ปฏิบัติตามนโยบายของตนในทางที่ไม่สุดจริต พวกข้าราชการก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายดีเขาก็ไม่ยอมเป็นทาสของนักการเมืองเพราะเห็นว่าข้าราชการต้องดีต้องซื่อสัตย์และก็เห็นประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ของนักการเมืองส่วนข้าราชการอีกฝ่ายที่ต้องการชั้นและตำแหน่งก็จะยอมมอบกายถวายตัวเป็นทาสนักการเมือง ให้ความร่วมมือในการทำลายชาติทำลายเยาวชนโดยไม่คิดถึงความหายนณะที่จะเกิดในอนาคตนี่อย่าทำหน้าละห้อยอย่างนั้นนะดูสิหมดสง่าราศีไม่สมกับเป็นมหาปรียญเลยมันหดหูนี่ครับหลวงพ่อผมไม่อยากให้ชาติไทยที่ผมรักยิ่งกว่าชีวิตจะต้องมีอันเป็นไป หลวงพ่อจะไม่ช่วยชาติเลยเหรอครับก็เพราะช่วยนะสิฉันต้องต้องออกทุดงเพื่อหาวิชาความรู้ใส่ตัวจะได้นำมาใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองในภายหน้าท่านบอกวัตถุประสงค์หลักของการทุดงในครั้งนี้ผมยองมองไม่เห็นว่าการทุดงของหลวงพ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรกรุณาอธิบายขยายความให้ผมเข้าใจหน่อยเถอะครับเธอเป็นมาหาได้อย่างไรกัน เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจท่านถือโอกาสตำหนิก็คงเข้าตํารายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเสอรอกระมังครับเรียกว่าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานมากกว่าคนอย่างเธอเขาไม่เรียกว่าโง่หรอก แค่ฉลาดน้อยไปนหน่อยเท่านั้นฉลาดน้อยก็แปลว่าโง่น่ะสิครับนี่หลวงพ่อแน่ใจนะว่าไม่ได้ด่าผมแต่เอาเถอะหลวงพ่อจะด่าก็ไม่เป็นไรผมยกให้หลวงพ่อองค์เดียวเท่านั้นคนอื่นด่าผมไม่ยอมเด็ดขาดคราวนี้หลวงพ่อกรณุณาอธิบายให้ผมฟังได้หรือยังว่าการออกธุ ด, ดงของหลวงพ่อจะช่วยชาติบ้านเมืองได้อย่างไรช่วยได้มากเจ้าละ เพราะฉันจะได้วิชาความรู้แล้วก็ประสบการณ์มาสอนประชาชนถึงคราวที่บ้านเมืองตกต่ำคนก็จะหันหน้าเข้าหาพระฉะนั้นพระก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นที่พึ่งของเขาให้สมกับที่เขาปฏิญญาณว่าสังฆสารนังคตฉามิถ้าพระเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้แล้วพวกเขาจะหันหน้าไปพึ่งใคร ฉันยังเรียนไม่จบหรอกนะการเรียนทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันในทางโลกพอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เขาก็เรียกว่านิสิตรหรือว่านักศึกษาพอจบปริญญาตรีเขาก็เรียกว่าบัณฑิตแต่ในทางธรรมต้องบรรลุโสดาบันเสก่อนจึงจะได้ชื่อเป็นนักศึกษาเป็นพระอนาคามีก็ยังเป็นนักศึกษาต้องเป็นพระอรหรันต จึงจะเป็นบัณฑิตคือจบการศึกษาและต้องเรียนกันข้ามภพข้ามชาติกว่าจะได้เป็นบัณฑิตและตอนนี้หลวงพ่อเป็นบัณฑิตทางธรรมหรือยังครับท่านพระครูตอบเลี่ยงไปว่าฉันต้องการไปศึกษาหาความรู้ตอนฉันอายุ25ฉันพบกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นฉันขอเรียนวิชากับท่านแต่ท่านบอกว่า ใครฉันอายุ45ปีค่อยพบกันนิฉันก็อายุ45ปีมาสองเดือนแล้วถึงเวลาที่จะพบกับท่านจึงเรียกเธอมารับมอบงานหลวงพ่อจะไปวันนี้เลยเหรอครับยังหรอกอีกเจดวันถึงจะไปแล้วทำไมรีบบอกงานให้ผมล่ะครับเพราะฉันต้องการใช้เวลาเตรียมตัวเจ็ดวันนะสิหลวงพ่อในป่าท่านสั่งว่า ก่อนไปพบท่านให้ฉันเข้าผลสมาบัติเจ็ดวันฉันถึงต้องเรียกเธอมาวันนี้ไงล่ะพรุ่งนี้ตีสี่ฉันจะเข้าผลสมาบัติในโบสถ์เธอทำหน้าที่แทนฉันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพระหนุ่มรับคำแข็งขันดีแล้วฉันจะได้สบายใจเธอรู้ไหมว่า หลวงพ่อในป่าท่านให้การบ้านฉันมาทำและบัดนี้ฉันก็ทำเสร็จแล้วการออกธุดงครั้งนี้ฉันก็เอาการบ้านไปส่งท่านการบ้านอะไรครับผมขอดูได้หรือเปล่าดูไม่ได้เพราะการบ้านของฉันไม่ได้ทาโดยใช้กระดาษ ด, ดินสอแต่ทาด้วยจิตจึงให้ดูไม่ได้แต่ก็พอจะบอกเล่ากันได้ บอกแค่โจทย์นะส่วนคําตอบถึงฉันจะแน่ใจว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่บอกเพราะรอให้ครูตรวจก่อนงั้นผมขอทราบโจทย์ก็ยังดีหลวงพ่อในป่าท่านให้โจทย์ว่าอย่างไรครับท่านให้มาสองข้อข้อที่หนึ่งสติปัฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ ข้อที่สองอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวหญ่เหยียบรอยกันนอยู่หัวสามตัวยันละนะอยู่ที่ไหนตามไปเอามาให้ได้เธอลองทำดูสิคำตอบจะเหมือนของฉันหรือไม่ ผมไม่มีความสามารถหรอกครับแค่ฟังโจทย์ก็รู้สึกมืดหน้าตาลายแล้วมีหมดหลวงพ่อทำไปองค์เดียวเถอะครับแต่เธอก็ต้องพยายามทำให้ได้เพราะโจทย์สองข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองเราต้องช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยรับรองว่าชาติไทยไปไม่รอดแน่